ว่างจากการมองโลกในแง่ร้ายเรื่องร้ายมีจริงแต่สิ่งที่ไม่จริงคือความคิดว่าโลกนี้มีแต่แง่ร้ายเรื่องร้ายมีให้ระวัง แต่ถ้าตั้งตาระแวงไปหมดก็อดเป็นสุขกับใครเขาเรื่องร้ายมีไว้ให้ช่วยกันแก้่ยาที่มีแต่คนบนมีแต่คนนั่งวิจาร์มีแต่การด่าคนแก้ไม่เสร็จเป็นวายร้ายเลี้ยงคนใกล้ตัวให้ร้าย งอมืองอเท้าเอาแต่ปากร้ายวิจาร์โลกแล้วโลกนี้จะมีแง่ร้ายแต่ถ่ายเดียวเป็นคนดีเลี้ยงคนใกล้ตัวให้ดีอย่าปล่อยให้คนดีโดดเดียวแล้วโลกนี้จะมีแง่ดีให้มองเอง